ขีนะติระฌานะโยนิกะมียาวไปอีกโยนิกะนะสิ้นสุดกับกำเนิด 3 ขีนะ นะถ้าใครรู้บาลีหน่อยๆก็เปรตกับความเป็นเปรตสิ้นอบายภูมิ 4 นะ. 1 2 3 ไล่ 4 ขีนาปายะทุกขติขีนาปายะ นาคีนาปายะต่อกันเลย 4 เอา 5 นะอันที่ 4 นี่ขีนาทวนอันที่วินิปาตะคือสิ้นสุดกับเรื่องของอบายทุกขติ 5 โสดาปัตนะโสดาปัตนะน 6 5. นะ 5 โสตปันนะเป็นผู้เข้าถึงกระแสตามมา 2 ตัวเรียกว่ามอหันก็ตาม อวิธิปาตะธรรมมีความไม่ตกต่ําเป็นธรรมดา 6 7, 7. 8 สัมโพธิปรายนะสัมโพธิปรายนะยะนอ ภาษาไทยก็ว่าภาษาไทยก็ว่าเป็นผู้มีการตรัสรู้เป็นที่ 8 อธิบายความสิ้นสุดกับนรกนรก ภูมิภพหรือโลกเนี่ยภพก็ว่าภูมิก็ว่าโลกก็ เพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเจ้านี่ต้องอ่านอาการที่มีความรู้สึกของจิตจึงเรียกว่าจิตไอ้สิ่งที่ไม่มีความรู้สึกนั้นไม่เรียกว่าจิต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 จิตสะอาดจิตนั้นไม่มีตัวตนจิตนั้นปล่อย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 แต่อยากเท่านั้นเองยิ่งเป็นกิเลสซ้อนลงไปอีกก็อยากสลายแต่ไม่ ไม่เอาไม่ดับไม่ถืออ่าไม่ใช่ของฉันแต่โดยกรรมมันไม่เฉยๆไม่เป็นไรนี่ไม่ แล้วตัวเองก็ไม่ยอมรับรู้ว่ากรรมที่ตัวเองทํานั้นมันเป็นกรรมชั่วซึ่งจะต้องแก้ไขเองไม่มีการสังวรอ่าทําเป็นปล่อย อ่าไปติดใจน้ําอัดลมอะไรก็แต่เอ้าเถอะน้ําอัดลมมันอาจจะไม่มีพิษเท่ากับไอ้พวกเหล่ายาอะไร อนาคามิภูมิเข้าขีดนี้ถึงจะขึ้นอรหัตผลอาตมาจะอธิบายให้ฟังตรงนี้นะจะไล่โสดาภูมิสักกิทาคามีภูมิแต่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 อ่าเป็นอย่างนี้คืออย่างนี้อย่างนี้โสดามันก็มีความว่างเบามันไม่มีภาระมันไม่ 6 อบายภูมิ 4 อบายภูมิ 7 อะไรที่เราเคยพูดกันแม้ยิ่งเยอะ มองใครไปติดสภาพที่นั้นนี่อยากจะไปเป็นดาราแล้วก็แก้ผ้าถ่ายเถอะลูกหลาน อาชีพอะไรกินให้รูปร่างที่มันจะสมมุติกันว่าสวยว่างามๆมาจาก ข้อแถมแวะแถมตรงนี้ก่อนศิลปะคืออะไรพระพุทธเจ้าส่งอุดมมงคลอันอุดมหมายความว่าความประเสริฐที่สูง ใครจะเขียนรูป